ตามตามการตามเวลาเป็นมงคลยิ่งดีตอนเราตุทใาเขาสวดพาสุขโทสุขโทเปลว่าไปดีมาดีตลอดปิบัติพังดีเกดการมจริสติ สติค็นความรู้สึกตัวเป็นวิาดาความดีผู้ให้เกิดความดีทั้งหลคผิดตายเป็นความโศกความทุก็เป็นความไม่ทุกข์ความหลงเป็นมไม่หลงความกก็เป็นความไม่โกรธ่าเป็นความรู้สตวรชาตตัวนี้ันเราก็ทราบไม่ใช่ขอขอไม่ไม่ใช่คิดไม่ใช่ วัสดุประกอบการสร้างความรูปสึกตัวการส้างความดีเผูก า, ายผิดใจของเาเนี่อากายเอาใจอเอาหลอมาเป็นวัสดุประกอบคลิปความรูปสิบตัวไม่ต้องไปใช่สมองไม่ต้องไปใช่หชไหวชี้ปัญญาอะไรอาศัยการกระทสมตับชื่อว่า <c oughs> กับมัน วิชากรรมฐานเป็นวิชาการกระทาโดยไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ความชอบไม่ใช่ความไม่ชอบออกไม่ชอบความชอบเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นสมมุติสัจธรรมจริงต้องประกอบต้องสัมผัสดูเอาการเปต่อออกเอาใจไปต่อออกแต่ว่าการต่อขั้นแรกต้องเอา หัดกายใ้รู้สตัวจะไหัสคิดเลยไม่ได้มันก็มีสิ่งแวดล่อมไปสอนคิดอีกๆีหนะ่งตอนนี้จะปอยู่ที่กายแล้วกิตมันก็ค่อยเป็นไปค่อยเชื่อมกอ็ค่อยหมดประโยชน์ลงไปเรื่อยๆลองรู้สึกตัวเมื่อมันอยู่ในกายมันก็ค่อยเป็นไปเองแล้วก็ง่า ถ้าจะดูเราจะเปคุมคิดเลยไม่ได้แล้วจะเข็ดจะหลาทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอันเราให้ก่อเรื่องของคิดเอากายก่อเอากายมาต่อมาสร้างมาประกอบแล้วเป็นกิริยาที่ทำจริงจริงสิบสี่จังหวะคิดสี่จังหวะการ <c oughs> เคลื่อนไหน ในประสูนยเพียงแต่ว่าการคู่เขียนเข้าการเหยียดเขียนออกมีสติอันนี้เราก็มาเอาให้เป็นปรูปธรรมเพื่อให้มีเกนานาก็ไปเสริมเป็นสิบสี่จังหวะอย่าให้ลืมลืมก็ไม่เป็นแล้วลืมได้แค่ตายแก้ไร่ถ้าแก้ความหลงความลืม อะไรเป็นศิลปะเป็นความถูกต้องเป็นการวัดวิวัฒนาเวลาใดมันหลงของความรู้สึกตัวเป็นสัตว์อยากจะให้มันหลงร้อยข้างถนนนเราก็จะรู้ร้อยข้างันนไม่เสียหอย่าไปกลัวความลงอย่าไปกลัวความผิดการกระทํานี้ไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดเลยจะกือจะถูกมันเป็นเรื่องของมันคิดมันโถูกแต่สิ่งที่ มีชั้นเชิงดีก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยอราไี้สําคัญแล้เวเราก็รู้ได้ไม่มีใครที่รู้ไมได้รู้ความรู้สึกตัวเนยเข้ากับกายเข้ากับใจได้ดีเหมือนนมกับ น, น้ำเข้ากันได้ดีน้ำกับนมเข้ากันได้ดีความรู้สึกตัวประโยชน์ที่กายที่ใจเนี่ยเป็นการถูกต้องที่สุด เหมือนตั้งตนอยู่ในความชอบที่สุดชอบแล้วแต่เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับกายกับนั่นเราะอยู่โดยชอบพานอยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่ในตึกลานบ้านช่องอยกับใครที่ไหนะแต่ว่ากายอยู่กับความรู้สึกตัวใจอยู่กับความรู้สึกตัวลองมาฝึกหัดนะตรงนี้ลองดูไม่มีใครช่วยกันได้ไม่ใช่สอนให้รู้ วิชากรรมาฐานไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้พกเห็นเราเองให้เห็นเราเองให้มีเราเองสอนให้มีให้มันมีให้มันรู้แล้ให้มันถัดทีความรู้สึกตัวไม่ต้องหลอกเพกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้คว่ามือลงก็รู้ให้รู้ไปตับตามกิริยาของอริยบทหากใคร ให้ลู้ไปตามอธิบทหรือตามกิริยาที่การเคลื่อนไหวอย่างลมหายใจมันก็เป็นการเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้ารู้สึกตัวการหายใจออกรู้สึกตัวแล้วลมมันก็มีจริงมันก็หายมันก็สูดลมเข้ามันก็ปล่อยลมออกเราจับเอาลมมาเป็นการฝึกให้มีความรู้สึกตัวจะให้มันฟรี เราเคยหายใจปรีๆมานานแล้วเราเคยเคลื่อนไหวปลีๆมามากแล้ววันนี้เราลองมาติดตามลองดูอยาให้มันฟรีสักหย่อเรื่องของกายเรื่องของใจงต้องมีสติก็ไปดูไปเห็นนะเรียกว่ากรรมฐานต่อเพียนเพียนสักหนอยเพียนรู้เพียนรู้สึกเพียนรู้สึกเพียนรู้สึก เ, เท่านั้นแหละก็ไม่หนักหนาสร้าหัดอะไร บางทีเราคลิ้บตาเฉยๆก็ยังรู้ได้กระเด็กเนิ่วเล่นๆเตรียมือเล่นๆก็ยังรู้ได้จากจาบจาับไปหากลางกลางไปหาละเอียดเก็บเก็บความละเอียดลู่ความละเอียดลูคลดล่ความเป็นกลางลูค่ความจับหยาอันนี้บทที่เคลนไว้นี่ยมันเป็นความจับหยาบใครก็มองเห็นได้ก็ยกก็ยกขึ้นจริงๆวางลงก็วางเนี่ยให้มันลู่ไปตามอดีบทที่มันเพื่อนไหว แล้วมีเจตนาขเข้าไปเสดมีเจตนาขเข้าไปเสดนี้ไม่พ้อยู่ในกรรมือเราแท้ๆความรู้สึกตัวว่าแต่มาดูกายมาดูใจของเรากายเขาอยูตรงไหนใจก็าอยู่ตรงไห น, รนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันให้กายให้สติให้ใจให้สติอยู่ด้วยกันไม่เหลือวิ ส, สัยที่เราทํานายไม่เหมือนอ่า โบราท่านว่าจับปูใส่กระดกจับปูใส่กระด้งมันไม่เป็นฝันนอการฝึกฝืนมันไม่ยากถึงขนาดนั้นแล้วก็พู่นกันให้มันยุ่งยากเฉยๆของที่มันง่ายๆเราไปคิดแต่ยาๆดูสิเรายกมือสั่งจังหวะบางทีเราก็เดินจักรมเราเดินังกรมมันคิดไร หลงอะ ไ, ไ้ความคิดไม่เป็นไรกลับมารู้สึกได้ไม่หมดแรงดอกหลงความหลงไม่หมดแล้วไม่หมดแรงสักหน่อยได้บทเรียนด้วยส้ำไปรู้สึกตัวซะกลับมรู้สึกตัวมันหลงอะไรยี่งหัวเราความหลงตัวกลับรู้สึกตัวได้สบายเลยความรู้สึกตัวเนีเรียบได้มันจะตา่างกันกับความหลงหรอก ความหลงกับความรู้สึกตัวมันจะต่างกันเลยขอให้เราได้สัมผัสตัวะถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้า ว, วันหกวันเจ็ดวันความมันหลงมันจะแปรมันจะไม่มีใครเอาความหลงขอให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวให้พิสูจน์ให้สัมผัสให้คีมดูให้มีรสชาติของความรู้สึกตัวเรียกว่ารสพัทธม มันจะต่างกันกับความหลงเราก็จะรู้จักเลือกอเราก็จะรู้จักเลือกถ้าได้มีความรู้สึกตัวไม่มีใครเอาความหลงเพราะความหลงไม่ถูกต้องความหลงไม่เป็นธรรมความหลงเป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นประมติเป็นธรรมเราจะเลือกได้ชีวิตรู้จักเลือก เลือกเอาความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวจะอยู่โดยชอบจะเป็นมกกั่งจะดำเนินไปอย่างถูกต้องแต่ว่าการสร้างเนี่ยตอให้มีความเพียรตลอดอาจจะปวดไหลปวดแขนอาจจะง่วงเงาหอนอนบางทีเราชีวิตของเราเนี่ยบางทีก็ไม่เคยฝึกไม่เคยอยู่เป็นที่เป็นทางเพราอมาจับให้มันโยนเป็นเทศมันก็ มีอาการอะไรเสร็หมดเหยียดค้นคิดอะไรต่งตางๆพวกเมาหอนนอนปวดร้าวไหลแฉะปวดเมื่อยธรรมดามันเป็นธรรมดาสรรดาิ่งหนเ่งเราจะทําอะไรก็มีปัญหาเราจะนอนยังมีปัญหาเราจะกินข้าวก็มีปัญหาเราจะอาบน้าก็มีปัญหาดูภูมิูตสบู่ต้องใส่ใจต้องลําดับลำหนาตอนอาบน้ำ ลำดับให้ถูกขั้นตอนบางทีอาจน่าไม่ถูกขั้นตอนก็ทำให้สบัดรอดสบัดหนาดเชนเราไปไหนมาไหนเ ห, ห, ห, หนื่อยๆรอดเหนื่อยไหลไปย้อยอนยะ่นี้อยู่จะมา อ, อาบลาดบนหัวลงมาเลยมันปรับตัวไม่ทันต้องอาน้ใส่อกใส่ตัวไปจะก่อนให้ ความร้อนมันขึ้นหัวมันจะร้อนหูหูหูขึ้นหัวแตวให้ควาร้อนออกไปมากจะค่อยลากตัวไปสองครั้งสามครั้งถูสบู่ไปก่อนถูสบู่ไปแล้วลาดตัวไปแต่ชาช้ำหน่อยให้เวลาความร้อนมันออกหมดชักหน่อยก็คอ่อยลาดลงบนหัวก็สบ เราอาบน้ำให้โลกให้เต่าก็วันก็คนอนานาำให้โลกให้เต่าห้เป็นบันทีก็เป็นว่าการฝึกตัวเองก็วันกันบางทีก็อยู่จะไม่คลุมเราก็จะเกิดก็เพเกิดเกิดเข็ดเกิ ด, ก ด, กดหลาเกิดเป็นเรื่องยากไม่สู้พอปฏิบัติทำทีไรก็คิดแต่เรื่องยากยากต้องนั่งหลังหดหลังงอต้อง เร่งต้องดูต้องร้งต้องอะไรไม่ใช่ผมยิ้มไว้ได้เลยอ่มันมันมีอยู่เลยจะไปยุ่งไปยากอะไรมันมันมีอยู่ไม่ได้หาไม่ได้มันผิดก็ไม่ได้ผิดจนติดคุกติดตารางไม่ต้องปอกไม้ใส่ทวดอะไรมันหลงเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นบาป ก, ก็เป็นบาปไป ม, มากเป็นบาป ก, ก็เป็นบาปเมืนกัของอะไรมาเปิบเพื่อนเล็กหน่อยก็ ปัดออกแค่ออกได้อนิดหน่อไม่ถึงกับซึมซับก็ปล่อยลมลมเหมือนฝุ่นเหมือนทเลมาเพื่อ น, นิดหน่อยพอรูดขึ้นมามันก็สะอาด ท, ทันทีพอมันหลงใจไรรูดขึ้นมาสะอาดได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ทันทีสบายเลยพวกเรามาทำสิ่งที่เราทาได้ก็าทาเนี่ย ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดกาปฏิบัติได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ผล ร, รู้ผลถึงตามสมควรเจือผู้ปฏิบัติตามสมควรเจือผู้ปฏิบัติเราพยายามสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตั ว, ร ว, รตวเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่มีเพื่อนมีมิตรนะตอนเช้าตอนเย็นอาจจะเป็นพูดประกอบให้เป็นส่วนประกอบ อาจจะมีหลายอง์หลายรูปพูดบ้างแต่ให้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่พูดแล้วให้จาจำแล้วก็พยายามจะไม่ให้หลงให้ลืมไม่ต้องจบการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องจาเป็นเรื่องสัมผัสการพบเห็นหไม่ใช่จาแต่การคิดเหตุต้องจาไม่เหมือนกันเรียนวิชาการทางโลกต้องท่อง มันก็ลืมได้การท่องจำแต่ว่าการฝึกกรรมฐานวิจารกรรมถานไม่ใช่ท่องจำมันเป็นการพบเห็นภาวะที่เห็นเนี่ยมันลืมไม่เป็นหรอกเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นไม่มีใครลืมไม่มีใครลืมเห็นความทุกข์ก็ไม่มีใครลืมเห็นความโกรธ ก, ก็ไม่มีใครลืมมันก็เท่านั้นแหละมันก็แค่นั้นถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็เปลี่ยนไปละ เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันเป็นไปเองไม่ต้องไปกลัวอะไรนะมันจะเป็นไปเองมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติธรรมะไม่มีแต่ธรมมรมชาติมีกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เข้ามาไปเองมันเราผหม่้ว ย, ย, ยที่โหม่้วยต้อง ทำไม่ต้องใช่สมองเพียงแต่เอาถ้วยใส่หมอ้มอหม้อหรือใส่ปิ๊บใส่อะไรที่หมอ้อใหญ่ๆเอาไปตองแห้งๆอัดลงไปให้มันแน่นๆล้ว แ, แกลบใส่หมอ้อเล็กๆมาข้างบนปากหมอ้อใหญ่ๆเอาฝานฐานไปไปจุดแกลบนะ่ะให้แกลบมันไหม้เยอะนั่นะจนแกบมันไหม่หมดก็ไปเปิดตั มันก็เหลืองกปวหวานเปกล้วยลดปาด؛กลายเป็นกล้วยรดหวานกล้วยสีเขียวกลายเป็นกล้วยสีเหลืองเปล่งไ้แ่กรรมกรรมกรรมกอนกระทำกฎของกรรมมก็เปล่งกลายเป็นรดเปลงเปลี่ยนเปลงเปลี่ยนลดปาดเป็นรสหวานกรรมกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันเปลี่ยนจากความหลงเป็นความหุงเปลี่ยนจากความผิดเป็นความถูกเปลเี่ยนไปมาเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ เปลี่ยนไปตะบุดตะบุดเปลี่ยนได้กลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาอวิชาภาวนาเป็นยังไงมันเปลี่ยนเองนะไม่ต้องไปเจนไม่ต้องไปห้ามดัอากาศก็เปลี่ยนวิชาภาวนาวิชาเปลี่ยนได้กลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนแปลว่าถึงที่สุด ดับทุกโดยสิ health, ้นเช like ิงโดยสิ้นเชิงควโกรธเป็นขั้นสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายเราจะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายจะหลงจนตายไม่ใช่ชีวิตเรามีโอกาสเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทำได้อยู่ให้โอกาสแก่เราให้โอกาสแก่ตัวเราบาก ในชีวิตเนี่ยอยากไปให้โอกาสแต่อย่างอื่นมา ก, ก้นเกินไให้โอกาสความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นของประดับที่กายที่ใจของเราถ้ากายใจได้ประดับกับความรู้สึกตัวเราเถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นศัจธรรมเป็นของจริงนะก็จะไ้ที่ได้ผ่ แต่ได้ที่ใดทางได้ที่อยู่ตายได้ที่อยู่ใจได้ที่อยู่เราก็จะพึ่งได้เดี๋ยวนี้เรากายเรายังไม่ได้ที่อยู่ใจก็ไม่ได้ที่อยู่ตอนที่เราก็พึ่งใจไม่ได้คุมได้คุมดีทันทั้งที่ใจก็เป็นใจของเราเอง ผมร่ายคงดีไม่มั่นใจตัวเองชีวิตที่ไม่มั่นใจตัวเองเพราะ่ะมันไม่ได้ที่ปึกว่ามันได้ที่เอามันไปได้หนะ ม, ม, ไไมันไม่ไปนะมันไม่ไปหนัมันได้ที่ที่ของจิตนี่มันเป็นอมนตอกหัวที่ของกายที่ของกายไม่เป็นอมนต ะ, ะไม่ไม่ใช่เป็นปรมาเป็นสมมติ เปลี่ยนกันใช่เปลี่ยนกันอยู่ตามวากาลตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่ขอ ง, องคิดเนี่ยมั่นคงเป็นนิรันดรเป็นอวตารเป็นสัจธรรมของใครของเราเราอย่าใหมันพลาดจะให้จนเรื่องนี้อย่าให้จนเรื่องนี้จะให้อบพอเรื่องนี้เป็นชีวิตที่พัดถิ่นเป็นชีวิตที่พลัดป้านพัดเพลิงมันไม่ใช่กลงคืน ความฝันกลางวันว่าคิดกลางคืนเป็นควากลางวันเป็นเตล้มันไม่ใช่ต้องให้มันเรียบเลยชีวิตของเราเรียบเลยของเส้นคงวามันคงนะจะเราไปเปลี่ยนคนให้มั่นใจเปล่งให้รู้จะเป็นยังไงบางท่านที่ใจมันเป็นเรื่องของเราแต่เราเราก็ยังตึงมันไม่ได้ทำามยังเป็นอย่างไง มันถูกดูกันที่ทิวครอมันเป็นอย่างไงเราจะอยู่ในเสื้อผ้กันเราจะยอมเราจะยอมหรือของของไม่จริงเราจะต้องยอมของเถื่อนยอมความโกรธยอมความทุกข์พอเราได้โกรธเราก็ยอมข้ามวันข้ามเดือนก็ยอมเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนได้เลยเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเราไม่มีสิทธิ์เลยเราทําหรือเปล่า เ้วได้ปฏิบัติหรือเปล่าล้วได้ลองดูไหมหรือว่ายอมแพ้แต่เพื่เพื่อถ้าอะไรโกดล้วก็ไม่ฟังเสียงอะไรถ้ามีพัญญาโกดกันก็๋อถทาลุโงล่แหววดันทิ้งกันโพษให้พ่อให้แม่โกล่ให้โพาาันาสาในที่นอกนี่ก็จะต้องยอมอยู่นะเราไม่มีสิทธิ์ฟางเลยที่เร้ไม่เป็นดิสะ ไ, ไม่เป็นมิตรภาคกัน เราจะมาผลัเป็นเรื่องที่น่ากระตือหรือลดมากที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่รีบด่วนกลัวอย่างอื่นตารมาฝึกผลชีวิตจิตใจของเราถ้าทำตรงนี้สาเร็จของเขาเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็ค่อยเป็นเปลเป็นเปนลงหลวงพ่อก็เคยพูดว่าถ้ามาปึกชีวิตจิตใจจนเขาลกขาุกเขาอไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตลาด นะไม่ต้องเห็นทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองไม่เบียยเบียนตนเองไม่เบียยเบียนตนเอ่ชนะวิตจิตใจของเราของว่านโภกราเพิ่งพาอาศัยตัณหเพิ่งตัวตัณหาวิธวีปฏิบัติก็ไม่ไม่ต้องไปอ้างอันใดความรู้สึกตัวไม่ต้องเอาความหนุ่มไม่ต้องเอาความแก่ไม่ต้องเอาบวชคะเลาะว่าไม่ได้ ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นลัทธิที่กา último, ไม่เป็นเพศเป็นหวย sof, material, ไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวถ้าใครมีความรู้สึกตัวก็เป็นของคนนะผู้หนุ่มมีความรู้สึกตัวก็อันเดียวกันทุกคนถ้าเราั่งอยู่เนี่ยสามสิบสี่สิบชีวิตเนี่ยถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวก็อันเดียวกัน แต่ถ้าเรามีความหลงกับคนเร า, าคนเราผลไปแล้วเราทุกคนมีความรู้สึกตัวอันเดียวเป็นหนึ่งะติ์รวมเป็นหนึ่งตติ์ถ้ารู้สึกตัว <c oughs> อ, อันนี้ของจริงต้องเป็นอย่าง ไ, ไม่ใช่ลงลงแรงแรงมันสัมผัสมันอจุ่มมันต่อมันติดนะเราไม่เคยทำได้เช่นความหลงเราเปลี่ยนเป็นความรู้ ก็รู้ได้ทันทีแล้วความรู้มันเกิดความหลงก็หมดไปแม้นมันไม่หมดมันเกิดก็ดีรู้อีกความห ล, ลงก็หมดไปอีกทาําแล้วทาแล้วทาําแล้วทำแล้วมันก็จํารา่องจำนาญเป็นมาเป็นศิลปะเป็นปริจญาํานานที่สุดการเขียนได้ตายเป็นดีเปลี่ยนผิด เ, เป็นถูกมันเป็นความเจ็บนากที่สุดนะไม่มีอะไรที่จานาญไปกว่าการ ภาวนาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นหลงเป็นรู้เป็นทุกข์เป็นไมทุกข์ถูกต้องที่สุดเลยไม่ต้องระลึสงสัยไม่มีคําถามใครเป็นสัจธรรมสัมผัสเอาตัดสินใจได้ทันทีตั้งรับตัวเราจึงมาสร้างกันมาสร้างกันมาประกอบมาสัมผัสอาศัยอยู่ร่วมกันตามฐานะอาฐานะอย่างเป มุ่งอย่างื่มุ่งมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวซึ่งที่เราต้องการตัวปฏิบัติจำเป็นอันอื่นเป็นรอกอาจจะมีที่อาศัยอาจจะมอาหารนะแต่ถ้าเราไม่มีมิตรไปนอกขอเราก็เป็นมิตรกับตัวเรามิตรกับความรู้สึกตัวดูที่ไหนมีมุมความ รู้สึกตัวขวดข่อยที่จะให้มีความรู้สึกตัวโชบช่วยที่จะให้มีความรู้สึกตัวเจ็บตอกในความรู้สึกตัวอย่าไปเอาอหาโอกาสไม่ต้องหาโอกาสที่ว่าช่วยโอกาสการปฏิบัติธรรมไม่ต้องหาโอกาสเป็นการช่วยโอกาสได้เท่าไหร่ หายใจเข้าหายใจออกลูกก็ได้ทิพตาลูกก็จะไปไหนมาไหนลูกเสดตัวหัดให้ชินหัดให้จไำได้จำานาให้เป็นนิสยัยนิสัยง่ายที่จะลูกอย่าเป็นนิสัยง่ายที่จะหลงเรี่ยงมาขอนิสัยอังพันเตเนิสัยยังอยากจะนิสมาขอนิสยัยมาขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยกับคมรู้เสดตัวใครจะหลงมายังไงย่งไงไม่เกี่ยว จะเป็นชาติชั้นวันนะ่ะอะไรมาจะทำอะไรมาไม่เป็นนลยขอให้มันตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นความรู้สึกตัวตรงไหนพยายามตั้งต้นตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นงไงตองพอเข้าใจไหมตองรู้เรื่องไหมหอลวองพ่อเล่านิยายให้ฟังะสิ่งที่หาวงพ่อพูดเป็นป น, นิยายนิทานอะไระเป็นเรื่องอะไรออ <c oughs> เรื่อของเราเลยเรื่องชีวิตของเราเนี่ะครับทั้งพวกกับท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมีกายมีใจมีความหลงก็เหมือนกันมีความโกรธก็เหมือนกันมีความทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนกันความโกรธก็เหมืนกันความทุกข์ความหลงเหมือนกันแต่ว่าเราจะเตลี่ยนมันตรงไหนเลยไม่กลัวความหลงมาที่ไหนเปลียนได้ทันทีอยากให้มันเกิดความหลงแดี๋วนันไม่เกิดเพราะว่ามันเปลียนได้ ปฏิบัตาใต้ให้ผลดาสังขาราปรมวทุกขาวิสังขานิพนังปรมังสุขเขาในสังขารมันก็มีวิสังขารในความทุกข์มันก็มีควา ม, มทุกข์เนี่ยเราให้หวังอย่างนี้การปฏิบัติทำลองดูเวลาไดมันหลงรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีเนี่ยโค่เรื่องคีวิตเรา ศึกษาเรื่องชีวิตหเรามาทําเรื่องที่มันทำได้แล้วไม่ต้องรอการทราบความรูสึกตัวไม่รอแม้แต่เสี้ยววินาทีเอ็กมือขึ้นก็รู้ ท, ทันทียกมือขึ้นก็รู้ทันทีวางมือลองก็รู้ ท, ทันทีไม่ต้องรอเป็นปัิจจตังรู้ ท, ทันทีรู้เดียวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ของเก่งสัจธรรมต้องเป็นปัจจัจตัง คำสองพระเจ้าเป็นปัจจจตังลู่ได้ทันทีถ้าทุกคนลู่ไม่ได้ไม่ใช่สัจธรรมแต่เจ้าลู่ได้เฉพาะหลวงพ่อรู้ได้เฉพาะพ อ, าะอาตะกูลชาติชั้นวันนะไม่ใช่เนื้อชาติเหนือชั้นเหนือวันนะเป็นของกิก่งลู่ได้ ท, ทันทีแต่สิ่งไหนปฏิบัติแล้วไม่รููลู่ไม่ได้ไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่คําสอนพระเจ้าตวาขาโตพระกวตาธรมโม กันที่ทิโกคาลิโกเอเนปัสโกโอปนาญโกปัจจตังเบคิดตปูจยดนเป็นปัจจตังดยได้เห็นได้ทุกชีวิตลองอาจารย์<ม>ต้ินของสาทฤษแล้วนะสัมผัสเอามาส่วนคำพูดเราพูดส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากแต่ว่าการกระทาเราต้องท ให้อุ่นใจให้ออกอุ่นใจขอให้อุ่นใจอกอุ่นใจสิ่งที่เราทำมันชอบแล้วมันถูกแล้วไม่ฟรีไม่ฟรีสิ่งที่เราทำไม่ฟรีเลยไม่เป็นเหมันเปล่าพลิกมือขึ้นก็ลูดยกมือไปเอามือมาลดไม่ฟรีเลยอย่าให้มันฟรีอย่าใช้ชีวิตฟรีๆใช้ชีวิตให้เป็นเกา่า กรรมวุณหกรรมกรรมวัเจตระกรรมังวัานกรรมจะจำแนกไปไม่ฟรีกรรมจะจำแนกไปถ้าไม่มีเจตนากรรมก็ฟรีกรรมก็ฟรีเป็นกระตับตักรรมเราเดินมาเท่าไหร่แหละเราเลื่อนไว้มาเท่าไหร่มันฟรีไม่เป็นกรรมไม่มีผล ทั้งที่เราเดินทั้งที่เราหายใจทั้งที่เราทำเหลแต่มันฟรีเป็นกรรมที่ไม่มีผลเขาเรียกว่ากตัดตะกรบบัดนี้บัดทำกรรมที่ไม่มีผลอยากให้มันฟรีให้รู้สิบตัวให้รู้สิบตัวโดยโอกาสสร้างพยายามประกอบพยายามสัมผัสได้ที่อยู่กันทุกคนอพออยู่ได้ หลังลัะคนสองคนด้านดินหลังนี้ก็อยู่ได้ฮนะเพาะไปพักแท่งแอไปจะตเลยวันนี้ว่ไปไปจะไปนอนลองด้านดินหลังนี้ก็อยู่ได้หลังนี้ก็อยู่ได้มีไคฉายนะมีใครใชนีหมนะ แล้วหาไปจ่าต้องมีไปใช้มาแจกกันเด้อเราอยู่ป่ามีสัตว์พิษมีงูไม่อะไรแต่ว่าฤดูนี่กไ็ไม่ไม่เป็นท่านตกงูตกตะขาบไม่ค่อยมีโยงก็ไม่สุกสดไม่ไปใช้ เดินไปมาจนเครื่องตื่นใคำถามอะไรนะ